พานดวงตาดวงใจชายสิรปรยชายฝากไมตรีมามมดใจใจกลับอิ่มหลงลาลในชายหนึ่ง c t hold n to e y t h นักหนักาปาน ด, าดวงตาดวงใจจะเสื่อมสูญหมดความมีบุญมีเลสิ้นชื่อสักดีสายใจไม่เปลี่ยนใจปางจะเฟื่องฟูอยู่บนบ้าน